ในติปกรณ์หน้าสิบสี่ต่อเลยนะเมื่อกี้พูดถึงพยัญชนะหอัดหเนี่ยนะทั้งพยัญชนะทั้งอัดเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคแสดงไม่มีประมาณเลยโดยเฉพาะพยัญชนะเนี่ยที่รองรับพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่มีประมาณในอัตกถาบางแห่งนี้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้านั้น บางอนุโมทนาคถาแสดงคําเท่ากทีคณิกายแค่ว่าหลังฉันเนี่ยนะเทศหลังฉันธรรมดาเนี่ยใช้เวลาระยะสั้นๆเนี่ยเท่าทีคณิกายนเนี่ยเท่ากับแสดงหงครั้งเนี่ยหนังสือหนาศอกทำมาพิมพ์เป็นตัวหนังสือเนี่ยหนาไม่ต่ำกว่าสอกชั่วระยะเวลาไม่เท่าไหร่ปกติเราทั้งหลายเนี่ยพูดกันหนึ่งคำพระนลพูดได้แปดคำถ้าพระานลพูดหนึ่งคำ พระองค์ตรัดได้สิบหกคำงั้นเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าตรัดร้อยกว่าคำระวังขวาระของพระองค์เนี่ยเร็วมากลิ้นของพระองค์เนี่ยที่ว่าอ่อนเหมือนกลีบบัวเนี่ยนะแผ่มาปกแปลว่าเอามาเลียนหน้าผากได้แล้วก็แยะเข้าหูได้เล่นยาวแต่ว่าบางสํานวนว่าบางเหมือนกลีบบัวเวลาพระองค์แสดงธรรมเนี่ยจะเร็วเสียงเนี่ยจะเร็วมากแต่ว่า เสียงเร็วอันนั้นเนี่ยสำเนียงเหมือนนกกระเวกฟังไม่เบื่อแล้วก็สนเสียงเนี่ยสนะเสียงกล้องเหมือนเสียงพรมเนี่ย เ, ยเสียงกลมกลม่อมเสียงนิ่มนวลเสียงลึกนั่นเซึ่งเราก็ไม่มีบุญได้ยินได้ฟังขนาดนั้นแต่รู้ว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้มีความสา ม, มารถขนาดนั้นพระพุทธเจ้าแสดงคําเนี่ยไม่ต้องแปลถ้าเป็นภาษาสมัยพุทธกาลเลยเนีย พระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งคำเนี่ยที่เป็นภาษามาคุทุกคนจะฟังเป็นภาษาตัวเองหมดอย่างเข้าใจไม่มีการคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเสียงของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเลยบุคคลที่นั่งฟังด้วยนี่นสมมติว่านั่งอยู่หนึ่งพันเนี่ยจะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกไปเกินนั่นเองจะพอดีกับคนที่ฟังเป๊พะพอดีหมดแล้วพระพุทธเจ้าเทพเนี่ยบริษัทจะเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นโกดขนาดไหนก็ตามคนที่ฟังเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าพูดกับเราคนเดียว มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์แสดงธรรมเนี่ยเทวดาเนี่ยนะถอยร่นร่นร่นไปถึงศีลังกาเนะทวดาบางท่านไปอยู่แถวศีลังกาฟังธรรมอะ่ะแต่ก็บอกว่าเทวดาที่อยู่แถวศีลังกาฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่สาวัตถีเนี่ยนะหรือทีที่อินเดียเนี่ยซึ่งห่างกันเป็นพันพันกิโลมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับเราคนเดียวเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็อุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับเห็นดวงจันทร์ไหมดวงจังนทร์ไี่ส่องให้ใคร แต่ความรู้สึกเหมือนกับส่งให้เราคนเดียวเนี่ยนะลักษณะนั้นอันนั้นเป็นบุญของพระองค์ที่สะสมมาเพื่อที่จะสงเคราะห์เหล่าเวนยาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังเนี่ยสัตทินทรียเขาจะมีกําลังอยู่แล้วนะีสัตทินทรีย์ที่มีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เนี่ย ก, ก็ก็มั่นคงทีนี้พระองค์แสดงธรรมเนี่ยเขาก็ต้องเพียรอยู่แล้วเพราะเห็นอ น, นิสงค์ความเพียรเนี่ยอยู่ที่การเห็นอ น, นิสง์ผู้เห็นอ น, นิสงต้องความเพียรมากก็จะเพียรแล้ว คนที่เกิดในสมัยพุทธ ก, กาลที่ฟังธรรมส่วนใหญ่ก็คือผู้มีบุญเก่ามากก็คือผู้มีบุญทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยจึงพร้อมพอจบเขาก็บรรลุอริยสัจกันนี่นะพอจบก็เรียกว่าธรรมมาพิสมัยคําว่าธรรมมาพิสมัยอภิสมัยเนี่ยแปลว่าการตรัสรู้นีตรัสรู้ธรรมอภิสมัยมีสี่คืออะไรปริญญาพิสมัย ปหาณะพิสมัยเนี่ยนะปะหานาพิสมัยอะ่ะสัจฉิกิสัจิกาพิสมัยหรือสัจิกาสัจฉิกิริยาแล้วก็มักก็คือภาวนาพิสมัยทีนี้ตั้งคําถามว่าสัจฉิกิริยาพิสมัยเออเข้าไปปริญญาพิสมัยในทุกเป็นยังไงนะก็อพิสมัยคือรู้อัดแห่งทุกว่าทุกปีละนโถทุกเบียดเบียนนะทุกสันตาปณะนะทุกเร่าร้อนทุกนี้เป็น สังคตะเนี่ยนะทุกวิปรินามะสังคตะก็คือถูกปัจจัยปรุงแต่งวิปรินามะก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตรัสรู้สมุทัยว่าอายุหนะประมวลประมวลนำมาตรัสตรัสรู้สมุทัยว่านิทานะเนี่ยนะเป็นเหตุนำมาตรัสรู้สมุทัยว่าปริโพธะตังปริโพธนะตังวลเนี่ยนะแล้วก็สังโยคะการประกอบการผัวพันเอาไว้ว่าสมุทัยนี้เป็นอย่างนั้น ส่วนนิโรธก็เป็นนิสรณะนะนนสลัดออกเป็นอมะตะเป็นวิเวกเนี่ยนะเป็นอสังขตะอันนี้เป็นอัดของนิโรธส่วนมร ก, ก็นิยานิกะคือนําออกจากทุกมรกเป็นเหตุมรกเนี่ยเห็นทัศนนะแล้วก็อธิปไตยะซึ่งการแทงตลอดอัดอันนี้สมัยพุทธกาลเข้าฟังและเข้าแทงตลอดอัดอันนี้ทันทีเนี่ยนะ ด้วยด้วยอุปนิสัยที่เขาสะสมมาในการที่จะพิจารณาอริยสัจทีนี้ของเราทั้งหลายวันหนึ่งเราเอาง่ายๆก่อนว่าคิดถึงอริยสัจได้วันละกี่ครั้งก่อนเนี่ยนะแล้ววัตถุทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเราคิดถึงโดยความเป็นอริยสัจไหมเนี่ยนะอย่างเช่นทุกขสัจคือขันห้าใช่ไหมพิจารณาโดยความเป็นขันห้าซึ่งไม่มีนิจจะอยู่ในนั้นเลยไม่มี สุะอยู่ในนั้นไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นไม่มีสุภาอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะเราเห็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เห็นอันนี้แหละเรียกว่าไม่เห็นลักษณะของทุกข์แล้วเราเห็นโทษของความติดข้องความเพลิดเพลินในกองทุกเหล่านี้ไหมว่าการเพลิดเพลินในอารมณ์นี้เป็นเหตุแห่งภพใหม่นะเนี่ยนะถ้าเรายินดีในการเห็นก็เท่ากับยินดีในต า, านี่ยนะ ถ้ายังยินในถ้ายังชอบความเป็นมนุษย์อยู่ก็แสดงว่ายังยินดีในการนอนในคันเนี่ยนะก็ยังยินดีในการนอนในคันยังยินดีในการอยู่ในครนยินดีที่จะคลอดจากคันยินดีที่จะทุกเจริญเติบโตเนี่ยนะยินดีที่จะหิ้วกระเป๋าเข้าอนุบาลต่อไปอีกเนี่ยนะก็ยินดีที่จะมาบริหารยินดีที่จะแปลงฟันมันละสองรอบยินดีที่จะต้องอาบน้ํามันละสองครั้งยินดีที่จะซักผ้าวันละกี่ชุดอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะ ยินดีที่จะรับภาระทุกอย่างแล้วก็ถ้าประเกิดในอาชีพต่างๆก็แสดงว่ายินดีที่จะไปอยู่ประกอบอาชีพทุกอย่างเนี่ยนะก็อาชีพในโลกนี้มีไม่ใช่น้อยเลยนะก็นั่นเป็นผลของการเกิดถ้ายังยินดีในการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็พร้อมที่จะไปเกิดได้ในทุกประเทศเนี่ยนะทุกประเทศทิฐิที่มีอยู่ในโลกพร้อมที่จะเป็นของเราทั้งหมดถ้ายังมีขันธ์าเนี่ยนะทิฐิของพระพุทธเจ้าก็จะอันตรธานไปจากโลก น, นะ เราก็จะไปนับถือทิฏฐิอันใหม่ไปอีกการที่พร้อมจะเห็นผิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆถ้าจะมีมิจฉาทิฏฐินีไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าจะเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้แปลกมากเนี่ยนะเพราะว่าบุคคลผู้ไม่ได้ยินได้ฟังคําของพระอรหันต์ทั้งหลายที่จะเป็นสัมมาทิฏฐินี่หายากเนี่ยนะพราะฉะนั้นโดยมากก็จะเป็นปายนมิจฉาทิฏฐิซะส่วนใหญ่ นั้นอริยสัจนั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงตลอดระยะเวลา4 5พ0 0ษาเนี่ยนะก็ประกาศอริยสัจทั้งนั้นเลยเนี่ยนะไม่มีคําสอนใดที่พ้นจากอริยสัจเพราะนนัน้ตลอดเวลาที่พระองค์แสดงอริยสัจ4 5พ0 0ษาจึงมีผู้ตรัสรู้อริยสัจหาประมาณไม่ได้อย่างเช่นธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระองค์นี้แสดงอริยสัจในบรรลุเท่าไหร่18โกฏิเนี่ยนะพรมเนี่ยบรรลุ18โกฏิ พระัญญาโกณทัญญาที่เป็นมนุษย์อยู่ผู้เดียวแล้วก็เท ว, วดาอื่นๆ อ, อีกไม่ได้กล่าวเนี่ยนะแต่กล่าวเฉพาะพรมเนี่ยสิบปดโกดแล้วก็หลังจากนั้นก็แสดงธรรมมาก็บรรลุตามมาเรื่อยๆเรืยๆเนี่ยนะแสดงพระสูตรที่บรรลุหาประมาณไม่ได้ก็เยอะเช่นมงคลสูตรเนี่ยนะก็บรรลุหาประมาณไม่ได้จูระราหุโลวาทสูตรก็บรรลุหาประมาณไม่ได้มหาสมัยเนี่ยนะในมหาสมัยนั้นก็บรรลุหาประมาณไม่ได้ก็ อย่างในกาสแสดงอภิธรรมปีดกนี่ก็บรรลุหลายหมื่นโกดเนี่ยนะหลายหมื่นโกด ต, ตอนแสดงยมะกะปาฏิหารก็บรรลุหลายหลายสิบโกดมากแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็บรรลุมากทีนี้ของเราทั้งหลายก็สะสมบุญมาไม่มากพอที่จะเห็นอริยสัจก็ขณะเราฟังอริยสัจนะเราน้อมที่จะไปคิดอริยสัจสักเท่าไหร่เนี่ยนะจะเห็นว่าคู่ควรไหมที่จะบรรลุเหมือนกันเถอะคือคือนี้เรามาพูดการตามเป็นจริงอะนะสมรรถภาพ จะซื้อผ้าก็ต้องดูเนื้อผ้าถ้าถ้าผ้าไหนจะย้อมก็ดูดูผ้าก่อนว่าเฮ้ยย้อมติดหรือเปล่าเนี่ยนะก็ดูเนื้อผ้าก่อ น, อ น, น, นฉันใดก็ดีการที่เราทั้งหลายบอกว่าปรารถนาความตรัสรู้ธรรมปรารถนาที่จะรู้ว่า เ, เข้าบรรลุอะไรบรรลุยังไงบรรลุแบบไหนบรรลุแล้วดียังไงเนี่ยนะโจทย์เหล่านี้เราต้องทําความเข้าใจให้เพียงพอ เมื่อเข้าใจจนเพียงพออย่างนี้เราก็มาถามเราเองว่าพร้อมไหมที่จะบรรลุยินดีไหมที่จะบรรลุเมือนกับตั้งคําถามว่าพร้อมไหมที่จะรักษาศีลห้าอันนี้เบื้องต้นก่อนเลพร้อมไหมจะรักษากุศลกรรมบทสิบถ้าเรารักษากุศลกรรมบทเราพูดเพอเจอร์ไม่ได้แล้วนะเนี่ยนะทำใจได้ไหมอน่ะนีลักษณะเนี้ยจึงค่อยๆมาอบรมกุศลแ ร, ร้วขึ้นไปเรื่อยๆๆจนกว่าจะคู่ควรแก่การบรรลุอริยสัจเนี่ยนะก็ต้องหมั่นใคร่ครวญโทบทวน ประเด็นที่สำคัญก็คือการรู้โทษของการไม่รู้อริยสัจนี่ยนะฮะ น, นี้ก็สาคัญและก็รู้คุณแห่งการบรรลุอริยสัจถ้าไม่บรรลุอริยสัจแล้วเสียหายยังไงเนี่ยนะก็เหมือนที่กล่าวว่าถ้าเราอยู่ในเรือที่ต้องอยู่ในน้ำเรือที่ไม่มีหางเสือไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำแล้วปล่อยให้ลอยอยู่ในเรือในน้ำเนี่ยนะ ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใดผู้หนึ่งเลยและไม่รู้จะขึ้นบกเมื่อไหร่เนี่ยเราอยู่ในกระแสน้ำอยู่อย่างนั้นนะ่ะถามว่าจะเดือดร้อนขนาดไหนวตัตตะทั้งหลายท่านใช้คำว่ากันดารนะกันดารกันตาระเนี่ยมันกันดารถามว่ากันดารเหมือนอะไรเหมือนกับทะเลทรายเนี่ยนะเวลาเดินทางนะทางกันดารก็คือทางที่มีทะเลทรายหรือว่าที่ไหนที่โจรชุกชุมเาเรียกว่ากันดารด้วยโจรหรือข้าวหายากกันดารด้วยข้าว หรือน้ําหายากก็กันดานน้ําหรือสัตว์ร้ายมีเยอะก็กันดานด้วยสัตว์ร้ายหรืออนมนุษย์มีมากก็อันนั้นกันดานด้วยอนมนุษย์สังสารวัตรทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะกันดานทุกอย่างเนี่ยมีอยู่ในในวัตถะถ้าเทียบไปแล้วในยุคนี้นะถ้าเทียบยุคคนมีบุญพอสมควรในด้านวัตถุกรรมแต่ว่ายุคก่อนหน้านี้ก็เดือดร้อนมากใช่ไหมตายหมู่ตายพวกนี้มีไม่ใช่น้อยเนี่ย คนอดอยากหิวโหยแล้วก็ตอนนี้ก็บางประเทศเท่านั้นแหละที่พอมีอาหารรับประทานในหลายๆประเทศเนี่ยนะฤดูกาลอย่างนี้เนี่ยหน้าเนี่ยเขามีปลาตัวนี้เดียวเท่านิ้วก้อยเนี่ยกินเป็นกับข้าวเนี่ยนะเขามีอยู่เท่านั้นจริงๆแล้วไอ้วก้อยนั้นต้องได้มาด้วยป่านาติบัตเนี่ยนะไม่ได้มาด้วยศีลด้วยธรรมอะไรหรอกเนี่ยนะก็เสียศีนเสียธรรมเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเนี่ยบางทีเนี่ยไปเดินป่าฝ่าที่กันดาเนี่ยนะ กลายเป็นกิโลเมตรหลายๆกิโลเมตรน้ําพอจะชุ่มคอก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังเกิดอยู่ในวัตฏะเนี่ยจะต้องรับภาระเหล่านี้ทั้งหมดนะอันนี้เฉพาะเป็นมนุษย์นะก็ยังทุกขร้อนขนาดนี้ที่ต่ําไปกว่านี้จะเดือดร้อนขนาดไหนหมูอาบายทั้งหลายเนี่ยนะเราก็เทียบดูหมู่เดรฉานทําใจได้ไหมต้องไปอยู่บ่อ น, น้ําคร้ำเนี่ยนะเม้นตลอดแต่ว่ามีไม่ใช่น้อยเลยอย่างเล้าหมูที่เราเห็นเนี่ยนะเบื้องหลังของเล้าหมูเนี่ยสอดเยอะ มีอยู่ที่หนึ่งไปบินธบาทเดินข้างๆเล้าหมูเสร็จแล้วคืนนั้นฝนตกใช่ไหมเชา้าเราก็ไปบินทบาทก็ถ้าดูไกลๆเหมือนใครเอาเข้าวสารมาเทไว้เต็มถนนแต่ไปใกล้ๆจะเป็นหนอนทั้งนั้นเลยเนี่ยนะก็ขี่หมูไหลนี่ก็นอนก็บานเบอร์เลยแล้วก็พวกยุงอีกตั้งมากเลยนะถามว่านอนเหล่านั้นคืออะไรอนาคตก็คือมแมลงวันเนี่ยนะนะพอแพร่พันธุ์ออกมาหมดก็จะเป็นมแมลงวัน ปีที่แล้วไปอินเดียช่วงนี้เหมือนกันโอ้โหแมลงวันอะไรจะมากมายขนานั้นบินถึงไปหมดเลยนั่นนันวะตะมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ายังปฏิสนธิอยู่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ที่จะพ้นจากหมู่เดราชานไม่มีถ้าแล้วก็ที่เดือดร้อนไปก่อ น, นั่นเองนะอย่างเปรตเนี่ยเปรตบางอย่างนี่อดอยากเป็นพุทธันดรพุทธันดรนหนึ่งถามว่ายาวนานขนาดไหนบอกแผ่นดินสูง 20, 20กว่ากิโลเมตรเนี่ย น, ะนั่นแหละหนึ่งพุทธันดร ถ้าหิวมาสักสี่พุทธันดอ น, นี่จะเป็นยังไงไม่ได้กินเลยนะีหิวตลอดสี่พุทธันดร อ, อย่างเปรีญดติพระเจ้าพิมพิสารแต่ถ้าเทียบอย่างนี้ก็ยังเบากว่านรกเนี่ยนรกหนักกว่านั้นเยอะเนี่ยนะใครว่าตาธรรมดามองเนี่ยพันหกร้อกิโลเมตรก็บอดเนี่ยนะตาธรรมดาแค่มองเห็นเนี่ยบอดเลยพันความร้อนแรงของผู้ที่อยู่ที่นั่ น, นจะขนาดไหนนี่คือถ้ายังเพลดิดเพลินในขัน ทุกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องรับอย่าว่าเราทั้งหลายเลยแม้กระทั่งผู้ที่ปรารถนาเพื่อจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างเช่นวังที่ได้รับพุทธพยากรหลังจากนั้นอีกสี่อสงไขยแสนกับจะได้บรรลุเป็นจะได้บรรลุอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าระหว่างนั้นท่านก็ไปนรกไม่รู้กี่รอบเนี่ยไหไปทุกขกับด้วยเว้นไว้แต่กลับที่เกิดเป็นพรมเนี่ยนะแต่ถ้ามาเกิดกลับไหนที่มาเป็นมนุษย์โดยมากก็ไม่ค่อยพ้น แม้กลับสุดท้ายก็ตกนรกกลับเป็นพระเตมีใบตกไหมตกก็กลับนี้แหละไม่ใช่กลับที่ไหนไกลหรอกกลับสุดท้ายเนี่ยนะก็ขนาดกลับสุดท้ายเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วก็ยังด่าพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วอีกเพราะฉะนั้นนี่คือโทษภัยของอุปาทานขันสําหรับผู้ที่ยังเกิดอยู่ถ้าเราเห็นเขาเชือดหมูเชือดไก่เชือดอะไรเป็นต้นเนี่ยให้ทําใจไว้เลยว่าเราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว พราะฉะนั้นคู่ควรที่จะเพียงพอคู่ควรที่จะเบอร์นายเนี่ยนะหรือไปเห็นขอทานทั้งหลายก็ น, นึกว่าเราเคยขอแบบนี้มาลนะแล้วเนี่ยนะแต่เกิดมาเราก็เคยขอจริงๆหรือไม่เคยขอเคยขอสตังแม่ในะอย่างน้อยเนี่ยก็ต่างกันตรงไหนอ่ะไม่ค่อยต่างกันหรอกเนี่ยนะก็เราก็เคยขอมาในทุกสภาพอันชีวิตที่เป็นทุกเราก็รับมาในทุกอย่างเพราะฉะนั้นคู่ควรแล้วที่จะเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้เห็นภัยอย่างเดียวไม่พอหรอกเห็นภัยยังไม่พ้นภัย ที่เห็นแล้วพ้นภัยจริงๆก็คือเมื่อเห็นอริยสัจอย่างที่กล่าวแต่อย่างที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะคือการเห็นอาทินวะนั่นเองก็คือการกล่าวอาทินวะการพิจารณาอาทินวะเนี่ยนะต้องพิจารณาแค่ไหนต้องคู่ควรพอที่จะละอัศธาในในสิ่งนั้นได้ถ้าละอัศาธาในอุปาทานขันห้าได้นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะที่สุดแห่งทุกอยู่ตรงนั้นเพราะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกใช่ไหม ถ้าตัดขันห้าได้นั่นเป็นสุขอย่างยิ่งที่ปุตุชนทั้งหลายนึกไม่ออกเนี่ยนะโดยมากไม่ยินดีมีความคิดเห็นขัดแย้งกับพระอริยะตลอดพระอริยะท่านบอกว่าไม่มีขันเป็นสุขอย่างยิ่งปุตุชนทั่วไปบอกเอ๊ะถ้าไม่เห็นจะดียังไงถ้าไม่ฟังจะสนุกยังไงเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทานอาหารอร่อยๆชีวิตจะอยู่ไปทไําไมไงเป็นต้นซึ่งปุตุชนทั้งหลายก็มีความสุขกับความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเขาไม่รู้หรอกว่านั่นคือการเพลิดเพลิน อะไรเพลิดเพลินในทุกเนี่ยนะเพราะทุกทั้งมวลมีความเพลิดเพลินเป็นเหตุเนี่ยนะนันทิสมุทยาทุกขะสมุทยโยเนี่ยนะถ้านันทิเกิดทุกขก็เกิดนะแต่ถ้านันทิดับวัตตทุ ก, ก็ดับเหมือนกันพระองค์ตัดกับพระปุณณะเนี่ยนะพระปุณณะว่าดูก่อนปุณณะเพราะความเพลิดเพ ล, เลเินเกิดทุกจึงเกิดนะ อีกนัยะตรงกันข้ามบอกว่าถ้าความเพลิดเพลินดับทุกก็ดับนะแล้วคิดยังไงในสิ่งที่น่าเพลิดเพลินโดยที่ละความเพลิดเพลิน น, ะนั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาเราตั้งคําถามใหม่นะเราเพลิดเพลินในสิ่งใดแล้วพิจารณาเห็นภัยแล้วตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นได้ในสิ่งที่เราเพลินเนี่ยนั่นแหละการเจริญวิปัสสนาต้องคิดขนาดไหนต้อ ง, องมาคิดยังไงต้องพิจารณายัางไงจึงจะตัดความ เลิศเพลินอันนั้นได้แค่ทานเนี่ยนะอาหารอร่อยๆที่เราจะแบ่งให้ทานเนี่ยโอ้คิดกันเยอะเหมือ น, นกันนะกว่าจะให้ทานได้เว้แต่คนที่ไม่ได้ไม่ได้ให้จนชินจริงๆอ่ะนะก็แร ก, แรกๆก็โหมนักศิกาหน้าดูใช่ไหมกว่าจะให้ทานได้หรือคนที่บางบางทีอ่ะนะชอบไปสั่งให้เขาเอาชอบอาหารสดๆใช่ไหมแบบไปถึงก็สั่งข่าตรงนั้นแล้วก็แล้วก็ทานเลยเนี่ยนะถ้ามารักษาศีลที่ต้องทานอาหารที่ไม่สดเนี่ยอันนี้ก็ต้องโหตัดใจไปเยอะแล้วนะ อันนี้แค่ข้างนอกนะแล้วต้องตัดฉันราคะในภายในด้วยเนี่ยนะทั้งภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยตัดกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอันนั้นแหละคือสิ่งสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้แต่ถ้ายังยินดีอยู่ยังพอใจอยู่สํานวนว่าเพลิดเพลินกับสิ่งใดก็ต้องจ่ายกับสิ่งนั้นแพงเนี่ยนเพลิดเพลินกับอะไรมากก็ต้องจ่ายกับวัตถุนั้นอะมากเพลิดเพลินในทุกมากก็ต้อง จมอยู่กับทุกเนี่ยเป็นอย่างมากฉะนั้นอริยสัจนั้นจึงเป็นพระธรรมที่ช่วยให้ออกจากทุกเหล่านั้นทั้งหมดแม้การเห็นอริยสัจครั้งแรกเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันเนี่ยทุกขของท่านก็เหลือเท่ากับน้ําจ็ดหยดถ้าเทียบกับทุกของปุถุชนที่เท่ากับน้ําในมหาสมุทรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกกระวัติแค่นี้ก็เพียงพอหรือแม้กระทั่งว่าคุณของความเป็นพระโสดาบันหรือคุณของการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆ พระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายไม่ได้บอกว่าปิดอบายแต่ผู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยปิดอบายแล้วเนี่ยเพราะอริยสัจเนี่ยเป็นเป็นธรรมะที่หมั่นเอามาใคร่ครวนมาพิจารณาเอามาคิดบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดนี่นะคิดถึงสักหน่อยก็ยังดีเมื่อเราคิดถึงอริยสัจได้จะรู้ว่าสิ่งนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จะเห็นพระพุทธคุณด้วยแล้วก็จะเห็นสังฆคุณด้วยเหมือนกันว่า ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจครั้งแรกที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านบริบูรณ์ด้วยอะไรบริบูรณ์ด้วยศีลมสีสมาธิมีปัญญาพอประมาณพระสะกท า, าคามีนี่ก็เหมือนกันถ้านาคามีก็บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิมีปัญญาพอประมาณพระอรหันต์ก็สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาแล้วก็วิมุมตติยานทัศนะก็มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกด้วย เราจะเห็นคุณของพระสงฆ์ขึ้นเนี่ยนะก็เห็นคุณของพระสงฆ์ขึ้นการรู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เท่ากับบ่มอินรีไหนสัตทินรีใช่ไหมเมื่อมีสัตทินรีในพระตนะตรายอย่างนี้ขึ้นเราทรงจำทุกขาริยสัตตก็มาทำปริญญาในทุกขาริยสัตต์ทรงจำสมุ ท, ทยัยก็มีจิตน้อมไปเพื่อที่จะละเพื่อที่จะตักฉันธราคะใน สมุทัยเนี่ยนะจริงๆสมุทัยก็คือธรรมชาติที่เพลิดเพลินในในกองทุกข์นั่นเองด้วยข้อปฏิบัติอย่างที่กล่าวไปแล้วจริงๆศีลคืออะไรศีลบางอย่างก็คือตัดฉันทราคะบางส่วนออกไปเนี่ยนะที่จะทําให้คนที่มีฉันทราคะในในวัตถุ ก, การมทั้งหลายที่ประพฤติสุดจริตโดยมากเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็น เมื่อผู้ใดมีฉันทราค้าในวัตถุ ก, การมหรือในอในกรรมคุณมากเท่าไหร่เป็นที่มาแห่งทุจริตเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเพื่อการกําจัดฉันทราค้าในในวัตถุทั้งหลายนั่นแหละคือศีลคือคิดยังไงที่จะตัดกิเลสตัดเยื่อใยตัดความผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าการประพฤติไตรสิกขาในาศาสนานี้เนี่ยนะก็ต้องการออกจากสิ่งเหล่านี้จริงๆ ถ้าถ้าเราศึกษาปัจฐานด้วยนะศึกษาทั้งปัจใจด้วยแล้วก็ศึกษาทั้งเนติ ป, ปกรณ์ด้วยเป็นต้นเนี่ยสติปฐานสี่ก็เป็นหมวดธรรมที่ควรเอามาใครควรมากหมวดธรรมสี่ก็คือการกำหนดอาหารสี่เนี่ยนะอาหารสี่ประกอบไปด้วยกับพลิงกราหาน ร, รู ป, ปรกายของเราตอนนะี้ทุกคนดำรงอยู่ด้วยกับพลิงกราหานรูปกายเนยเวทนาตอนนี้ไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรือเฉยๆดารงอยู่ด้วย ภาษาหารวิบากและกรรมมชรูปของเราดำรงอยู่ด้วยมโนสันเจตนาหารนามมาทำได้รูปประธรรมที่เป็นไปอยู่ขณะนี้ก็ดำรงอยู่ด้วย ว, ญญวิญญาณอาหารเนี่ยนะไม่มีขณะใดาที่เราว่างเว้นจากอาหารสี่เลยใช่ไมไม่มีนะรูปประธรรมดำรงอยู่ด้วยกับพลิงกราหารนามมาทำดำรงอยู่ด้วยภาษาหารเนี่ยนะมโนสันเจตนาหารทำให้ทั้งรูปทั้งนามดำรงอยู่ วิญญาณอาหารเนี่ยเป็นตัวทรงให้มีวิบากและกรรมรูปทั้งสี่สมุทฐานเนี่ยจิตนี้เป็นปัจฉาชาแต่ปัจใจแก่รูปทั้งสี่สมุทฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยด้วยจิตและเจตสิกเนี่ยนะรูปก่อนๆเนี่ยจิตเจตสิกเกิดหลังๆก็ดำรงเป็นไปอยู่ชีวิตที่เป็นไปอยู่อย่างนี้ถามว่าจะต้องพิจารณาขนาดไหนจึงจะตัดชั้นราคะในสิ่งเหล่านี้ได้ การศึกษาพระธรรมจะเพื่อกูลอนุวัตมามาทําให้เราพิจารณานนั้นะนนผู้ที่พิจารณาไปโดยมากจะพิจารณากับพลินกระหานในภายในก่อนที่เหลือก็เริ่มพิจารณาภาษาหานยนะอย่างที่อยู่อาศั ย, ยนะโดยทั่วๆไปเราให้ความสําคัญกับภาษาหารที่อยู่อาศั ย, ยให้ภาษาหารเครื่องนุ่งห่มให้ ผัสสะหารเครื่องนุ่งห่มเนี่ยที่เรามาปกปิดเนี่ยต้องการผัสสะหารใช่ไหมถ้าร้อนเราก็อยากให้มันเย็นถ้าหนาวเราก็อยากให้อุ่นอย่างเงี้ยนะพวกนี้ต้องการผัสสะหารทั้งนั้นเมื่อต้องการก็สแสวงหาอารมณ์เนี่ยนะเพราะธรรมะสามอย่างประชุมกันเรียกว่าผัสสะใช่ไหมก็ต้องหาอะไรให้มันได้ประชุมกันเพื่อเพื่อเวทนาเวทนาทุกเวทนาไม่มีรอกที่ไม่เป็นตัดใ จ, จแก่ตันหาไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นโดยโทษจริงๆเนี่ยนะอาสาทะก็จะเคลือบไปทุกกับทุกอารมณ์เคลือบไปกับทุกอารมณ์อาสาทะที่เคลือบอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าทุกเนี่ยเคลือบอยู่ในทุกอารมณ์เนี่ยนะก็แต่ว่าเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็มีอุปการะมากรู้ว่าเพลิดเพลินถ้าความเพลิดเพลินยังมีอยู่ทุกยังมีอยู่เนี่ยนะ มนาศิกานเท่านี้แล้วก็ก็ได้บุญไม่ใช่น้อยแล้วนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกรร ม, มสกตาเริ่มดีแล้วนะถ้ายังมีความเพลิดเพลินอยู่ก็ยังมีวัตถทุกข์อยู่นะถ้าเอามาคิดแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆถามว่าความเพลิดเพลินจะลดลงไหมลดลงนะถ้าความเพลิดเพลินลดลงอ่ะนะนั่นแหละเรียกว่าคนที่เจริญสติเจริญปัญญาแล้วเพราะว่าข้อปฏิบัติในาศาสนานี้ที่พระองค์สอนขึ้นมามีจุดมุ่งหมายเพื่อละ ราคะโทสะและโมหะเท่านั้นเองเนี่ยเที่ที่สอนเอาไว้เยอะแยะนะเพราะไม่มีมีอะไรที่จะมีพิษภัยกว่ารากเง่าแห่งทุกข์สามตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยนะราคะโทสะและโมหะแต่ว่าเป็นศัตรูที่เราไม่ไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นศัตรูนน เ, รเนี่ยนีเวลาโกรธเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ดีเลยนะที่โกรธขณะนั้นนะแต่เลิกโกรธแล้วจึงรู้ว่าโกรธมันไม่ดีแต่ตอนโกรธจะไม่มีความรู้สึกว่าความโกรธมันไม่ดี แต่เมื่อหายโกรธแล้วคิดถึงคำสอนแล้วโอ้มันไม่ดีเลยนะเสียเลยอย่างไงนะี้ยแต่ว่าไม่กี่คนหรอกคือเห็นแล้วไม่สบายใจนี่ก็คือแปลว่าโทสะก็อันนั้นแหละเราขาดเมตตานี่ขนาดบวชแล้วก็ยังต้องอาศัยอาหารเนี่นะยไงเด็กของเราอยู่เราก็อาศัยอาหารของท่านเหล่านั้นก็อาศัยอาหาร แต่ถ้าท่านมักน้อยกว่านี้หน่อยเนี่ยนะท่านก็ไม่ต้องหนักเหนื่อยขนาดนี้แล้วถึงท่านเอาไปมากท่านก็ไม่ได้ชันหมดโลกอะไรเงี้ยนะเรก็คิดไปนะก็คือคิดยังไงที่จะมีเมตตากับท่านคิดยังไงที่จะมีกรุณากับท่าน <Okay. S 2> ท่านกับเราไม่มีความต่างกันเลยนะเราก็หิวท่านก็หิวเป็นเนี่ยนะจริงๆของเราทั้งหลายก็สแสวงหาอาหารของท่านก็สแสวงหาอาหารมันก็ไม่มีความต่างกันเลยทีนี้ การมีอาหารก็เพื่ออะไรก็เพื่อบำบัดทุกข์กเนี่ยนะคืออัศธาเนี่ยนะหมายถึงการไปเพลิดเพลินในสิ่งที่น่าปรารถนาคน ท, ทั่วไปที่ต้องการเนี่ยไม่มีใครรับซื้อขยะใช่ไหมเมื่อไร่ที่หันไปชอบในวัตถุนั้นนวะวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งอัศธาครั้งก่อนก็กล่าวว่า เ, เราทั้งหลายเนี่ย อิทธารมของเราจะอยู่ระดับนี้เราเรียกว่านี่นะอัสาธาของเราในสิ่งเดียวกันก็มีสัตว์ที่ไปมีอัสาธะในสิ่งที่มันเน่ามันเสียไปอีกอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าอินเดียเนี่ยนะคนที่ไปถ่ายอุจจาระนี่เขาถือว่าอุจจาระมันอาทีนวะของเขาเลยาไม่ต้องการแต่ก็มีสัตว์ที่มารองรับเออมาดีละเนี่ยนะอันนั้นก็จะเป็นอัสาธะของอีกพวกหนึ่งเลยอย่างปลาเน่าเนี่ยนะที่มันเหม็นมันบูด คนหนึ่งบอกอารทีนะว่าอย่างแรงอีกคนหนึ่งเขาบอกโอ้โหนี่มันอร่อยมากเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มที่ที่ไปถือสิ่งนั้นว่าเป็นอาสาทะเพราะฉะนั้นคำว่าอาสาทะคือวัตถุใดที่ก่อให้เกิดสุขและโสมนัสนี่นะจริงสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็าตามก็เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งอาสาทะหมดเนี่ยนะโดยที่สุดนะอย่างอย่างคนที่สมณป่วย ป่วยมากเนี่ยนะไข้หนาวสั่นเลยอะ่ะแล้วมียามาบรรเทาสักแค่ลดครึ่งหนึ่งถามว่าเขาพอใจไหมก็ยังอัดสาธะอยู่ดีใช่ไหมก็ยังอัดสาธะในทุกข์ น, นะแม้กระทั่งบางคนที่มีหนี้สินเนี่ยนะหนี้สินทั้งหมดมันเป็นทุกข์ใช่ไหมโดยไอ้านางทานางังทุกขังโลเกเนี่ยแต่ถ้านี่ลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งก็ยังแหมถ้ารู้ว่าลดนี่ก็สุขแล้วใช่ไหมแต่จริงๆก็ยังอยู่ติดอยู่ในในกองทุกข์อีกอยู่ดี เนี่ยนะก็มีผู้ที่ไปไปมีอัศาธาในสิ่งนั้นอยู่เนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เราก็พูดถึงว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งอัศาธาของใครละ่ะเนี่ยนะก็ว่าไปอีกครั้งหนึ่งนะ น, าา น, ะนะคือทั้งปริกปะอิทารมณ์ก็ได้นีนะ่คือหมายว่าที่เรียกว่าจะเรียกว่าอัศาธาเนี่ยนะสิ่งนั้นต้องน่าพอใจแต่ว่าน่าพอใจเนี่ยใครละ่ะ ก็ต้องเอากล่าวอย่างเงี้ยนไะอีกคนหนึ่งพอใจมากอีกคนหนึ่งไม่พอใจเลยอย่างเงี้ยไสมมติถ้าอย่างคนมีฐานะมีบุญมากเนียเอาข้าวแบบไม่มีรสชาติไปให้เขากินเนี่ยเขาไม่เอาใช่ไหมโอ้โหอาทีนวะอย่างแรงเลยนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยขอให้มันมีข้าวเถอะอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นข้าวเถอะเขาจะเอาหมดอะขอให้เขาได้กินเถอะเพราะนั้นในสิ่งเดียวกันมันจะอีกคนหนึ่งอาทีนอ่ะ น, นะโทสะเกิดอย่างงี้นเถอะ แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยอาสาทะอย่างแรงเนี่ยนะเป็นสภาวะที่ไม่น่าปรารถนากนของอีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็ไปปรารถนานารกเนี่ยถามว่ามีบุคคลที่ชอบไหมชอบหรือไม่ชอบอ่ะชอบเวลาโทรสะเตี้ยเป็นต้นนะดีเอกศัตรูเราจะได้ตกสักทีคนที่เราไม่ชอบไปอยู่นั่นั น, น, นา น, น, านดีมากชอบเนี่ยนะเนี่ยก็คือไม่ชอบ น, น, น, น, น, น, น, น, นี่จะตกเองหรอกแต่ชอบให้คนอื่นเป็นเนี่ยนะ ก็ถือว่ายังน่าพอใจอีกใช่ไหมอย่างลูกปืนเนี่ยเขาชอบไหมคนผลิตนี่ชอบมากคนขายก็ชอบคนยิงก็ชอบแต่คนถูกยิงไม่ชอบ <c oughs> นะก็มีคนชอบอีกจนได้นะในวัตถุนั้นน่ะแม้กระทั่งระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์เป็นต้นนะพวกศัตรูทั้งหลายตายได้ชอบมากก็ยังมีคนไปวิปริตแบบนั้นอีกันนะความตายเนี่ยชอบไหมก็มีสัตว์ไปชอบความตายนะแต่ไม่ใช่ตัวเองนะสัตว์อืน่น <c oughs> พวกชาวประมงทั้งหลายถ้าได้ปลาเยอะๆเนี่นะถ้าปลาตายมากๆชอบมากยิ้มแปลกลับมานี่ยหยิ้มนะมีของเราว่ามีอะไรไปฝากคนที่บ้านไนดะ้ยังง น, นนะแต่ว่าไอสัตว์ที่ตายมันไม่ได้ชอบนะแม้กระทั่งตัวที่สุดความตายก็ยังเป็นที่ชอบใจของอีกอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะ